ดูการพิสูจทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ได้ทำความดีงามไว้ไม่ได้ทำกุศลไว้ไม่ได้ทำบุญอันเป็นเครื่องต่อต้านความขลาดกลัวไว้นะครับคือไม่ได้ทำดีเลยนะทำแต่บาปทำอกุศลกรรมอันหยาบช้าทำอกุศลกรรมอันกล้าแข็งบุคคลนั้นย่อมเดือดร้อนว่าเราไม่ได้ทำกรรมงามไว้ดังนี้บ้าง ย่อมเดือดร้อนว่าเราทําแต่บาปดังนี้บ้างดูกรพิสูจน์ทั้งหลายทำมาสองประการนี่แลเป็นเหตุให้เดือดร้อนเหตุให้เดือดร้อนเนื่องจากไม่ได้ทําดีไว้เลยสองทำแต่บาปนะครับอันนี้ก็จะเดือดร้อนพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุคคลมีผู้มีปัญญาสามคือคนเคขาวเนี่ยนะครับ กระทำกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตและอากุศลกรรมอย่างอื่นอันประกอบด้วยโทษไม่กระทากุศลกรรมกระทาแต่อากุศลกรรมเป็นอันมากเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกนะครับเนื้อความแม้นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วชะนี้แลนะครับคนจะทาบาปมากนะตีไม่ได้ทาเลยก็เดือดร้อนใจนะครับ ปกติว่างั้นเถอะอธิขถาอธิบายว่าบทว่าตปนิยาความว่าธรรมะชื่อว่าเป็นเหตุให้เดือดร้อนเพราะเดือดร้อนเบียดเบียนรบกวนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าใช่ไหมครับเดือดร้อนเร่าร้อนมั น, ม, นมันรบกวนน่ะนะอีกอย่างหนึ่งธรรมะชื่อว่าเป็นเหตุให้เดือดร้อนเพราะความเดือดร้อนเป็นทุกข์ธรรมะทั้งหลายหนุนให้ทุกข์นั้นเกิดและให้ทุกข์นั้นเกิดกําลังทั้งในปัจจุบันและ สัมปรายะภพหนุนให้ทุกเกิดอย่างเดียวนะครับถามว่าหนุนทุกปัจจุบันก็หนุนยังไงครับหนุนให้อุทธักกุกุจะมันกำเริบนะครับที่เรียกว่าวิปติสารเร่าร้อนใจนะทีนี้ทุกเหล่านั้นเนี่ยนะครับถ้าไปเกิดทุกอย่างนี้เรื่อยไปในขณะใกล้จะตายนี่ก็สัมปรายะภพก็ทุกอีกแน่นะครับอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าตะปนะเพราะเป็นเครื่องเดือดร้อนอธิบายว่าความเดือดร้อนตามเผาในภายหลัง พฤติกรรม2 อ, อย่างนี่นะครับพฤติกรรมที่ไม่ได้ทำดีไว้ทำแต่บาปเนี่ยนะภายหลังเดือดร้อนแน่นะครับบทว่าอัคตะกัลยาโนเพราะว่าไม่ทำความดีไว้นะครับคือไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำความเจริญไม่ได้ทำบุญไว้เลยนะครับบุญนี้ท่านเรียกว่ากัลยานะเพราะอัาว่าเจริญเพราะเกื้อกูลความเป็นอยู่และความเป็นสุขต่อไปนะครับหมายความว่าบุญที่ทาไปแล้วเนี่ยนะครับ มันเกื้อกูลให้เป็นอยู่สบายใช่ไหมครับแล้วก็ให้มีวิบากที่เป็นสุขต่อไปในอนาคตเนี่ยนะบุญนี้ท่านก็เรียกว่ากุศลเพราะอาถาวากําจัดความน่าเกลียดและความชั่วเป็นต้นนะตัวตัวบุญเนี่ยนะตัวบุญเนี่ยเรียกว่ากุศลก็ได้นะครับเพราะกําจัดความน่าเกลียดกําจัดความชั่วหรือบุญนี้ท่านเรียกว่าต่อต้านความกลัวเพราะอาถาวาป้องกันความกลัวทุกข์และความกลัวสงสารนะครับ ผลก็เป็นเรื่องของบุญหรือกุศลทั้งหลายนั่นเองแต่ว่าคนที่เดือดร้อนเพราะอะไรครับไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เอาไว้เลยนะครับก็เราร้อนเดือดร้อนนะครับบนว่ากะตะปาโปชื่อว่าทาบาปเพราะทาคือสั่งสมแต่ความชั่วนะครับก็อกุศลกรรมท่านเรียกว่าบาปเพราะอาะัฐวลาโมกนะครับชื่อว่าลุทธะแปลว่าช่วยหยาบช้า เพราะเป็นสภาวะร้ายกาจทั้งในขณะที่ตนยังเป็นไปอยู่ทั้งในขณะให้ผลนะอกุศลเนี่ยนะครับมันหยาบตั้งแต่ขณะเกิดขึ้นใช่ไหมครับยกตัวอย่างอากุศลประเภทปานาติบาสนี่นะจิตที่เป็นไปกับปานาติบาสเป็นต้นเนี่ยจิตชนิดนั้นเนี่ยเนี่ยหยาบช้าร้ายกาจมากนะครับแล้วก็วิบากที่จะได้รับเพราะเหตุอันนั้นนะครับก็ไม่ได้มีความสุขอะไรหรืออากุศลกรรมก็เรียกว่ากิจพิษะนะครับแปลว่ากล้าแข็งเพราะถูกกิเลส ทุสรายนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมะแบบธรรมาที่ฐานใช่มว่าธรรมะสองประการนี้ทำให้เดือดร้อนนะครับก็คือบุคคลโดยมากก็จะเดือดร้อนเพราะไม่ได้ทำกรรมดีไว้แล้วก็เดือดร้อนเพราะทำแต่กรรมชั่วเอาไว้นะครับพอเดือดร้อนก็เศร้าโศกเสียใจในภายหลังนะพาระบัณดิตสูตรนี้ก็จะแสดงอธิบายในลักษณะถึง ความเร่าร้อนที่จะพึงบังเกิดขึ้นในเวลาใกล้จะจะตายนะครับตรงนั้นเนี่ยนะครับเสียงมากนะครับ ค, คือพอไปอบายแล้วเนี่ยที่จะได้หวนกลับมาเป็นแบบนี้อีกเนี่ยยากนะถ้าไปเกิดเป็นปลาเป็นต้นเนี่ยนะครับถ้าไปเกิดชอบนางปลาจะว่าไงอาจารย์นมนนะครับไปชอบปลางอมๆเนี่ยนะครับไปเป็นไก่แล้วชอบสาวไก่เนี่ยนะครับเป็นไงนะไปเป็นหมูแล้วก็ชอบนางสาวหมูเนี่ยนะครับไปเป็นวัวก็ชอบวัวด้วยกัน นะเพราะว่ามันก็มีเพศตรงข้ามใช่ไหมครับสัตว์โดยมากก็ติดใจในพวกนี้ยเพราะฉะนั้นไปเกิดในสัตว์ในอบายมันก็ไปชอบภาวะของอบายอ่นะถ้าชอบเป็นช้างพังถ้าเป็นช้างก็ไปชอบนางช้างเหมืน น, น่นนะก็ไปหมกมุ่นวนเ ว, วียนเวียนว น, วนอยู่ในอบายนะครับนกเขาก็ต้องเป็นคู่คู่ใช่ไหมก็ยากที่จะได้กลับมาคืนสภาพเป็นแบบนี้อีกครั้งหนึ่งแม้แต่เป็นเดรฉันก็ไม่ได้พ้นจากเรื่องราวเหล่านี้เลยนะครับ แม้กระทั่งเปรตทั้งหลายก็ไม่ได้พ้นจากเรื่องทั้งหลายเหล่านี้เลยเพรา ะ, ะนั้นอาบายนี้ก็ไม่ได้พ้นจากกามทั้งหลายเพรา ะ, ะนั้นกามเนี่ยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นของที่บอกว่าคำโมนะครับ mm. เป็นของปุถุชนนะครับไม่ใช่ของอริยชนทั้งหลายนะครับ mm. ต่อไปนะครับข้อความในคาถาคาถาที่พระ อ, องค์ตรัสว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามกระทํากายทุจริต วจีโทษจริตมโนโทษจริตและอกุศลกรรมอย่างอื่นอันประกอบด้วยโทษไม่กระทํรกรรกะทากุศลกรรมกระทําแต่อกุศลกรรมเป็นอันมากเมื่อตายปายย่อมเข้าถึงนรกเนี่ยนะอรรถคถาที่บายว่าเชื่อว่าโทษจริตเพราะประพฤติหน้ากเกลียดหรือประพฤติความชั่วเพราะเน่าด้วยกิเลส น, นะครับกิเลสเ น, นี่ยมันทาให้มันเน่าใช่ไม กายกรรมวจิกรรมมโนโกรรมมันก็เลยเน่าแล้วก็น่าเกลียดออกไปตามนั้นด้วยนะครับประพฤติชั่วทางกายหรือประเพณีชั่วเป็นไปทางกายชื่อว่ากายะทุจริตอ่าววิจิทุจริตมโนทุจริตก็ในัยเดียวกันนะครับคือประเพณีชั่วประพฤติน่าเกลียดแล้วก็เป็นความเน่าทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจนะครับอัน สับว่ากายะทุจริตเนี่ยนะครับว่าจีทุจริตมโนทุจริตท่านประสงค์เอากรมบทนะครับแสดงว่าล่วงกรมบททั้งหลายนั่นเองนะครับยันจันยังโทสะสันหิตังนะครับพระผู้มีพระภาคกล่าตรัสหมายถึงอกุศลกรรมอันไม่ถึงกรรมบทนะครับคืออกุศลกรรมอย่างอื่นเนี่ยนะหมายถึงอกุศลที่ไม่ล่วงกรมาบดนะที่ไม่ครบอง์กรรมาบดแต่ก็บาปเหมือนกัน ในบทนั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้และอากุศลกรรมอย่างอื่นย่อมนับว่าเป็นกายกรรมเป็นต้นไม่ได้โดยตรงเพราะไม่ถึงความเป็นกรรมบทชื่อว่าประกอบด้วยโทษเพราะเกี่ยวข้องกับกิเลสมีราคะเป็นต้นกระทำอากุศลกรรมแม้นั้น เช่นหมายถึงบางคนเนี่ยนะครับวันหนึ่งปานาธิบาตเขาก็ไม่ทําอาทินนาทานก็ไม่ทํากาเมสุมิช้าจานก็ไม่มีมุสาวาดก็ไม่ได้ไปลอกใครเล่าก็ไม่กินแต่ว่าฟังเพลงทั้งวันเป็นต้นนะครับถามว่าจิตเป็นอกุศลไหมก็เป็นนะครับหรือว่านั่งเครียดทั้งวันหงุดหงิดทั้งวันเป็นต้นเนี่ยนะเป็นไปกับโลผ้าโทสะโมหะหรือบางทีก็เฉยๆเป็นต้นเนี่ยก็อาจเป็นอกุศลกรรมนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับล่วงกรรมบท แต่ว่าถ้าใช้ชีวิตแบบนี้นานๆไปเนี่ยถามว่าเดือดร้อนไหมก็เดือดร้อนนะครับเพราะวันคืนล่วงไปปล่อยไปใจก็เป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศลสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเดือดร้อนในภายหลังอยู่แล้วนะครับมีโทษแต่ว่ากรรมอันนั้นไม่ให้ผลนําเกิดจริงแต่เป็นอุปนิสัยให้กรรมอย่างอื่นมาให้ผลนําเกิดได้นะครับ บทว่านิรย er ังได้แก nope ่ทุกขติแม้ทั้งหมดได้ชื่อว่านรกเพราะอธิว่าไม่มีความยินดีนะครับนรกเนี่ยไม่มุวนเลยว่างั้นแต่ไม่น่าเพลิดเพลินอะไรเลยหรือเพราะอธิว่าไม่มีความพอใจหรือนิรยะทุกขในสุขติทั้งหมดเนี่ยนะครับเพราะห้ามสุขคือความเจริญนะครับนรกเนี่ยนะไม่มีความสุขอะไรเลยนะครับในนั้นนะนะทุกขติแม้ทั้งหมดก็ชื่อว่านรกนะครับ เพราะอาว่าไม่มีความยินดีบางสูตรเนี่ยนะครับหมายควาว่าทุกขติวินิบาทนรกเนี่ยทุกสัพทั้งหมดเป็นชื่อของนรกเหมือนกันอบายทุกขติวินิบาทนรกนะโดยทั่วๆไปเนี่ยเป็นชื่อของนรกทั้งหมดนะครับอะไแต่ในตรงนี้เนี่ยนะทุกขติที่หมายถึงหมายถึงนร ก, ก น, นะนะหรือว่านิรยะทุกในสุขติทั้งหลายหมดเพราะห้ามสุขคือความเจริญนะครับ เพิ่งเห็นความในบทนี้อย่างนี้ว่าบุคคลนั้นคือบุคคลเช่นนั้นย่อมเข้าถึงเช่นนี้นะครับก็มาดูตัวอย่างผู้ที่ตกนรกกันนะเพราะว่าในในสูตรนี้เน้นผู้ที่ทำชั่วด้วยกายวาจาใจแล้วก็ไปส่วบายทุกขติวินิบาตนรกเช่นนายนันทะโคคาตะนะครับสองพี่น้องหรือว่า คนหนึ่งชื่อว่านันทยักษ์อีกคนหนึ่งชื่อว่านันทะมานกนะครับเพราะเป็นเหตุที่ให้เดือดร้อนเพราะกายยัุจริตก็ลองยกตัวอย่างเรื่องสองพี่น้องที่ฆ่าโคแล้วก็แบ่งเนื้อออกเป็นสองส่วนนะครับคล้ายว่าเป็นอาชีพด้วยกันน่ยนะพี่น้องสองคนที่ฆ่ากันเนี่ยนะครับว่าแต่คนน้องแต่นั้นเนี่ยนะพอพอฆ่าเสร็จใช่ไหมคนน้องก็พูดกับคนพี่ว่าฉันมีลูกมากพี่จงให้ไส้เหล่านี้แก่ฉันเถิดนะครับนะขอส่วนลําไส้นะ ทีนั้นพี่ชายก็พูดกับ น, น้องชายวันเนื้อทั้งหมดก็แบ่งออกเป็นสองส่วนแล้วเจ้าจะเอาอะไรอีกล่าก็ตีน้องชายตายเลยนะครับตาเขาไปป๊อปหนึ่งเลยกลิ้งตรงนั้นเลยนะพี่ชายหันกลับไปดูน้องชายเห็นตายแล้วก็เกิดเสียใจว่าเราทํากรรมหนักนักเราฆ่าน้องชายโดยไม่ใช่เหตุเลยเนี่ยข่าวพา่อลำไส้แท้ๆนะไส้วัวแท้ๆเนี่ยมาต้องฆากันพี่ชายนี่ก็เกิดความเดือดร้อนอย่างแรงกล้าเขานึกถึงกรรมนั้นทั้ง ในที่ยืนทั้งในที่นั่งย่อมไม่ได้รับความผ่องใสใจเลยนะครับเดือดร้อนนะ่ะแม้การกินการดื่มการเคี้ยวของเขาก็ไม่ได้แผ่ความอร่อยไปในร่างกายเลยได้ปรากฏเพียงหนังหุ้มกระดูกเท่านั้นลำดับนั้นพระเถระรูปหนึ่งนะครับได้ถามเขาว่าดูก่อนอุบาสกท่านซูบซีดเหลือเกินมีเพียงหนังหุ้มกระดูกเท่านั้นท่านเป็นโรคอะไรหรือมีกรรมอะไรที่ทําให้ท่านเดือดร้อน เขาได้สารภาพเรื่องราวทั้งหมดลำดับนั้นพระติระกล่าวแก่เขาว่าดูก่อนอุบาสกท่านทํากรรมผิดในที่ไม่น่าจะผิดไว้หนักๆนะครัหนักมากด้วยกรรมนั่นแลเขาตายแล้วก็ไปเกิดในนรกนะครับส่วนเรื่องนันทยักษ์ก็มีวันหนึ่งนะครับพระสารีบุตรปลงผมเสร็จใหม่ๆนั่งเข้าพระสมมาบัตเป็นต้นนะครับในกลางแจ้งเลยนะนันทยักษ์เขาก็เหาะมาก็นะครับก็ก็หวดด้วยกระบองยักษ์นะครับ ที่ทศีษะภาษาริบุตรเนี่ยนะครับปกติแล้วก็บอกว่าตีช้างมก็ล้มตรงนั้นนะครับถ้าเป็นช้างใหญ่ๆเนี่ยนะตีเขาก็ยุบไปทั้งลูกนั่นแหละแต่ว่าภาษาด้วยอนุภาพของสมาบัติของภาษาริบุตรเนี่ยนะครับพอตีแล้วก็หลังจากที่ภาษาลิบุตรออกจากสมาบัติก็เหมือนกับยุงกัดเท่านั้นเองนะครับนะทีนี้นันทะยักษ์เนี่ยพอตีเสร็จเนี่ยก็เร่าร้อนนะครับจะตกลงมาในแผ่นดินแผ่นดินก็แยกปฏิสนธิแนวเวจี v G เลยนะครับ ส่วนนันทมานพก็คือคนที่ข่มคืนนางอุบลวรรณเทรีนี่ก็แผ่นดินแยกเหมือนกันนะครับนี่ต่อไปนะครับว่าอย่างผู้ที่เดือดร้อนเพราะว่าจีทูจริตอย่างเช่นสุ ป, ปะพุทธส ก, กะนะครับหรือว่าพ่อตาเจ้าชายสิทธัตถะนะครับพ่อของพระเทวทัศน์นี่ก็น่าดูเหมือนกันนะครับปิดถนนนะครับแล้วก็แผ่นดินแยกเหมือนกันหรือว่าพระโกกาลิกะนี่นะครับที่ไปว่าร้ายภาษาริบุตรเนี่ยนะ ไปว่าร้ายภาษาริบุตรพระโมกขลานะนี้ก็ตายเพราะปากอีกเหมือนกันส่วนานางจินจะมานาวิกาก็ตายเพราะปากอีกเหมือนกันนะครับไปกล่าวตูพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะหรือว่าเดือดร้อนเพร่อมโนทูจริตก็ควรกล่าวถึงเรื่องของจุกณะและวะัศคัญยะเป็นต้นเนี่ยนะครับส่วนสองเรื่องนี้ผมนึกไม่ออกเลยว่าอยู่ที่ไหนนะครับไม่รู้เคยอ่านหรือเปล่าไม่ทราบนะครับ